คำสั่งคำสอนของพุของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ชีวิตจิตใ จ, จของตัวเองธรรมะที่จะพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของความสุขความสุขนี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือหนึ่งความสุขทางกาย สองความสุขทางใจความสุขทางกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดในความสุขขึ้นมาเวลาที่ร่างกายมีปัญหา เช่นเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายตายไปความสุขทางกายก็จะหมดไปส่วนความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าเพราะว่า ใจเป็นของไม่ตายเวลาที่ร่างกายตายไปใจยังอยู่ต่อไปและความสุขที่สร้างขึ้นมาให้กับใจก็จะอยู่กับใจต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและส่งนำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับ สัตว์โลกอย่างพวกเราผู้ปรารถนาความสุขจะได้รู้จักวิธีหาความสุขที่แท้จริงก็คือความสุขทางใจที่ใจสามารถเอาติดตัวไปได้ความสุขทางร่างกายนี้ใจไม่สามารถเอาไปได้ความสุขทางร่างกายก็จะจบลงตอนที่ร่างกายตาย ต่อให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามมียศมีตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็ตามมีเกียรติมีการสรรเสริญยกย่องมีรางวัลอะไรต่างๆมากมายและมีรูปเสียงกลภภภภภิ่นรสผดต่างๆให้ได้เสกให้ได้สัมผัส มากมายขนาดไหนก็ตามเวลาที่ร่างกายตายไปหรือร่างกายแก่หรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปตามลําดับตามกําลังของร่างกายพอร่างกายหมดกําลังที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่ หามาได้ความสุขเหล่านั้นก็จะหมดไปแต่ความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่ไม่ได้หมดไปตามสภาพของร่างกายเพราะความสุขทางใจนี้อยู่กับใจให้ความสุขกับใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามหรือไม่เป็นอะไรก็ตาม ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายหรือไม่ตายร่างกายจะสูญเสียนาบยศจสรสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆไปใจก็ยังสามารถมีความสุขได้ถ้าถ้ารู้จักวิธีหาความสุขทางใจ ความสุขทางใจนี้ก็จะมาดูแลใจได้ตลอดเวลาให้ความสุขกับใจได้ตลอดเวลาไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่แปรปูนไปเปลี่ยนไปตามตามเหตุการณ์ต่างๆบางทีความสุขที่เราได้จากราภยศเสริญจากรูปเสียงเกิดลดพุทธะ บางทีมันก็เสื่อมได้หมดได้เวลามันเสื่อมหรือเวลามันหมดทั้งทั้งที่ร่างกายเราก็ยังแข็งแรงยังไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ได้แก่ยังไม่ได้ตายแต่สิ่งที่เราใช้ในการให้ความสุขกับเราเวลาที่มันเสื่อมลงไปมันก็จะทำให้ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านั้นหมดไปได้ เปนความสุขทางร่างกายจะเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรและไม่แน่นอนความไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนของความสุขทางร่างกายนี้ที่เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆทุกข์ทางใจตามมาแต่ถ้าใจเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการหาความสุขผ่านทางร่างกายมาหาความสุข จากการกระทําที่ทําให้เกิดความสุขทางใจใจก็จะสามารถมีความสุขไปได้อย่างสม่ำเสมอไม่ไม่แปลกปวนไปตามการแปลปวนของลาบยศจัลเส ร, ริญของรูปเสียงกลิ่นรสผธภาพต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่แหละคือความสุข ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ชาวพุทธเราแสวงหากันเพราะพระพุทธเจ้าเองก็ได้แสวงหาความสุขทางใจแล้วลได้พิสูจน์แล้วเ้าก็เห็นว่าความสุขทางใจนี้เป็นความสุขที่เลิที่วิเศษที่สุดวิเศษเลิอ ก, กว่าความสุขทางกายสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะ สเสด็จออกบวชพระพุทธเจ้าก็หาความสุขทางกายเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นพระราชกุมารเป็น ร, ราชโอรสของกษัตริย์มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆมาให้ความสุขตลอดเวลาแต่วันหนึ่งหลังหลังจากที่ได้ออกไปเที่ยวนอกพระราชวัง แล้วไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็ mm hmm. เลยทำให้พระองค์นี้เกิดมีความรู้ขึ้นมาคือปัญญาคือรู้ว่าความสุขทางกายนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไปตามอายุไขตามสภาพของร่างกาย และตามความไม่แน่นอนของสิ่ง ต, ต่างๆที่ให้ความสุขขับพ้ อ, อเส้นทรงเห็นราบยศสระเสินเห็นลูกเสียงกิดลดต่างๆว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่มีเจริญได้ก็มีการเสื่อมได้มีราบเจริญราบก็มีการเสื่อมราบได้มีการเจริญยศก็มีการเสื่อมยศได้ มีสรลเสริญก็มีนินทาได้มีการเจริญมีความสุขทางรูปเสียงกลิ่นลดก็เปลี่ยนเป็นความทุกข์ทางรูปเสียงกลิ่นลดก็ได้เมื่อทรงเห็นว่าความสุขทางกายนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนและเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปแล้วสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ เวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขทางกายได้ก็คือความทุกข์ต่างๆจึงทำให้พระองค์ทรงเกิดความหวาดกลัวกับความสุขทางร่างกายแล้วก็ทรงได้พบได้เห็นนักบวชได้เรียนรู้ว่านักบวชนี้เป็นพวกที่ไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งคือไปหาความสุขทางใจ ที่จะทําให้ใจนี้มีความสุขทํากลางความแปรปรวนทํากลางความไม่แน่นอนของความสุขทางทางร่างกายคือความสุขทางโลกธรรมความสุขทางลาบยศสนรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆและความแปรปรวนของร่างกายเอง ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จะขาดความสามารถที่จะหาความสุขต่างๆก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ยิ่นบางทีก็อาจจะเกิดมีความพิกลพิการขึ้นมาทางร่างกายก็ได้เมื่อทรงเห็นว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่น่ากลัวเพราะว่ามันจะต้อง มีโอกาสที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงมีการหมดลงหรือมีการเสื่อมลงก็เลยทำให้พระองค์นี้ไม่อยากที่จะหาความสุขจากทางร่างกายต่อไปอยากจะลองไปหาความสุขแบบนักบวช ด, ดูพอได้ยินว่าความสุขของนักบวชนี้จะทำให้อยู่เหนือความทุกข์ ของความผันปวนของการแปลปวน ข, ของความสุขทางร่างกายได้ถ้ามีความสุขทางใจแล้ว<ม>การแปลปวนของลาบยุทสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆห้ือของร่างกายนี้<ม>ก็จะไม่มาทาให้ใจทุกข์ได้เพราะใจมีความสุขทางใจที่มีพลังมีกำลังมากกว่าความทุกข์ทางร่างกาย พองค์ก็เลยทรงตัดสินใจสเสด็จออกจากพระราชวังสละราชสมบัติสละความสุขทางร่างกายไปเพื่อที่จะไปหาความสุขทางใจความสุขทางใจนี้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติทำที่กูเจ้าได้ส่งค้นพบว่าจะทําให้เกิดความสุขทางใจ ซึ่งมีแบ่งไว้เป็นสามระดับด้วยกันความสุขทางใจที่ทุกคนมนุษย์ทุกคนนี้สามารถที่จะแสวงหากันได้มีแบ่งเป็นสามระดับระดับแรกเรียกว่าการความสุขทางใจที่เกิดจากการทำบุญทำทานความสุขระดับที่สองก็คือความสุขที่เกิดจากการรักษาศีล ความสุขระดับที่สามก็คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาท<ม>ำใจให้สงบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง<ม>อันนี้แหละคือวิธีที่จะทำให้ใจเรามีความสุขอย่างแท้จริงและความสุขจากการทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนานี้ก็เป็นความสุขที่ ใจสามารถเอาติดไปได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วความสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับทานก็ดีระดับศีลก็ดีระดับทานก็ดีระดับภาวนาก็ดีไม่ได้สูญหายไปไ ม, ไม่ได้หมดสิ้นไปกับความตายของร่างกายสิ่งที่สิ้นสุดลงไปกับความตายของร่างกายก็คือความสุขทางโลกธรรม ทางลาบยศ ส, สรรเสญทางรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะดังนั้นพรอองค์หลังจากที่ได้ออกบวชได้ศึกษาได้ปฏิบัติ mm. ได้ปฏิบัติรักษาศีลได้ภาวนาทำจิตใจให้สงบเข้าสมาธิเข้าฌานได้แล้วหลังจากออกจากสมาธิมาก็ใช้ใช้การศึกษาจเจริญปัญญา ดูความเป็นจริงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหนที่ยั่งยืนที่ถาวรในที่สุดก็สงค้นพบความสุขระดับที่สูงสุดคือระดับความสุขของพระนิพพานว่าความสุขของพระนิพพานความสุขที่ยั่งยืนที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี้เกิจากพรการกระทำอะไร หลังจากที่พระองค์ได้ส่งค้นพบความสุขในระดับต่างๆของทางใจแล้วพระองค์ก็เลยนำม า, มาเผยแพร่สั่งสอนให้กับผู้ที่ไม่รู้วิธีหาความสุขทางใจให้ได้รู้จักวิธีหาความสุขและได้เข้าถึงความสุขทางใจตามขั้นตามกําลังของผู้ปฏิบัติสอนสอนตั้งแต่ขั้นขั้นง่ายขึ้นไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นไปตามลําดับ การศึกษาการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสุขทางใจก็เป็นเหมือนกับการศึกษาทางโลกที่มีแบ่งเป็นขั้นเป็นชั้นขั้นต้นเราก็เรียกว่าอนุบาลแล้วขั้นที่สองก็ขั้นปฐมขั้นที่สามก็ขั้นมัธยมแล้วขึ้นไปขึ้นไปสู่ขั้นอุดมศึกษาขั้นระดับปริญญาตรีโทเอกตามลําดับต่อไป ความความความสุขทางใจก็แบ่งเป็นขั้นขเช่นเดียวกันและการเรียนรู้ก็ต้องเรียนรู้เป็นขั้นๆไปขั้นที่หนึ่งที่พูะเจ้าทรงสอนก็คือสำหรับผู้ที่ยังใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขทางร่างกายอยู่เช่นเอาเงินไปซื้อรูปเสียงกลษษิ่นรสทุตภพชนิดต่างๆเช่นไปดูไปฟังมหมอศพบันเทิง ไปเที่ยวตามสถานที่อเที่ยวต่างๆไปดื่มไปรับประทานอาหารเครื่องดื่มที่ที่ชอบเป็นต้นให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการเสกรูปเสียงขลิบนี้ให้มาหาความสุขด้วยการทำบุญทำทานแทนเอาเงินที่จะไปซื้อความสุขทางกายนี้มาซื้อความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานแบ่งปัน ข้าวของเงินทองแบ่งปันความสุขที่เรามีให้กับผู้ที่เขาขาดขาดแทนเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาตกทุกข์ได้ยากและเห็นเขาได้เกิดความสุขจากการเสียสละแบ่งปันของเรา ม, มันก็จะทําให้ใจเราฟูขึ้นมาทําให้ใจเรามีความรู้สึกอิ่มเออกใจแต่การทําบุญนี้ถ้าจะให้เกิดผลคือความสุขใจอิ่มใจ อย่างแท้จริงนี้ต้องทําด้วยการไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับแต่อย่างใดแม้แต่การขอบคุณก็ไม่ต้องการต้องการเพียงแต่ต้องการจะเสียสละต้องการที่จะหาต้องการจะได้ความสุขทางใจเท่านั้นถ้าเราทําบุญแบบแบบปิดทองหลังพระนี่เราจะได้บุญมากเราจะได้บุญอย่างเต็มที่ แต่ถ้าเราทำบุญแล้วเรายังมีความอยากจะได้รับ อ, ะ, อะไรบางอย่างกลับคืนมาเช่นบางท่านก็อยากจะติดชื่อตามสิ่งที่ถวายที่แจกไปเช่นทำบุญถวายกุฏิก็อยากจะติดป้ายชื่อของตนไว้อย่างนี้มันก็จะไม่ได้ไม่ทำให้ได้บุญได้ความภูมิได้ความสุขใจเต็มที่ เพราะถ้าเกิดเขาเขียนชื่อเราผิดหรือว่าเขาติดเขาไม่ได้ติดชื่อเราพอเราทราบข่าวเราก็อา จ, จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาได้แทนที่จะเกิดความอิ่มใจสดใจเราก็กลับมาม า, มาทุกข์ใจมาไม่สบายใจกับเงื่อนไขที่เราได้ถูกไว้กับการทําบุญของเรา เิ่นถ้าเราอยากจะได้อ น, นิสง์ได้ความสุขจากการทําบุญอย่างเต็นที่นี่เราต้องทําแบบไม่มีข้อผูกพันไม่มีข้อผูกมัดใจอย่างใดทําเพื่อสงเคราะห์เพื่อเพื่อแบ่งฟันความสุขของเราให้กับผู้อื่นแล้วความสุขที่เราให้เขาไปนั้นจะกลับมาหาเราหลายหลายร้อยเท่าด้วยกันจะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ และความสุขใจอิ่มใจนี้มันจะฝังอยู่ในใจของเราตลอดไปแต่ยังไม่หมดไม่หมดทันทีไม่เหมือนกับความสุขที่เราไปไปเที่ยวกันได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆความสุขเหล่านี้พอเรากลับมาจากการไปเที่ยวมันก็จะจางหายไปหมดไปแล้วมันก็เป็นความสุขที่จะท่างความหิวให้กับใจเราต่อไป หลังจากที่เราไปเที่ยวกลับมาไปดูไปฟังอะไรกลับมาแล้วพอความสุขที่ได้นั้นมันหมดไปความอยากที่อยากจะไปเที่ยวมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีมันก็จะอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แล้วจะรู้สึกอึอดอดัดรู้สึกเศร้าสร้อยงอยเหงาว้วาเว่ต้องออกไปเที่ยวต้องไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่อไปอยู่เรื่อยๆต่อให้เราเสพได้มากน้อยเพียงรมันก็จะทาให้เรา หอยนหิวโหวยกับการเสพอยู่เรื่อยเพราะความสุขในรูปแบบนี้มันไม่ให้ความอิ่มให้ความพอต่างกับความสุขที่ได้จากการทำบุญทาทานเวลาทำบุญทาทานนี้ความสุขใจที่ได้จากการทำบุญทาทานนี้มันจะทำให้เกิดความอิ่มใจเกิดความพอใจไม่ได้เกิดความหิวโหวยถึงแม้จะทำไปแล้วหลายวัน ความสุขนั้นก็ยังอยู่ในใจอยู่ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราได้ทำมามันก็ยังทำให้เขาให้เรามีความรู้สึกสุ ข, สขใจอิ่มใจพอใจไม่ได้ทำให้เราหิวโหวยใจอย่างใดนี่แหละคือความสุขในขั้นที่หนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการทำบุญทาทานของเราและการทำบุญทาทานที่ให้ความสุขแบบนี้นั้น ไม่จําเป็นจะต้องเลือกคนนั้นคนนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้อันนี้ถ้าถ้าเลือกนี้หมายความว่าเราต้องการอะไรจากบุกคคลนั้นบุคคล น, นี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องของการทําบุญทำทานแต่มันเป็นเรื่องของการหาบุญเพิ่มเติ ม, ตมจากการทําบุญของเราเช่น<ม>ถ้าเราไปทําบุญกับคนที่มีธรรมะมเราก็จะได้ธรรมะกลับมา ถ้าเราไปทำบุญกับคนที่ไม่มีธรรมะ<ไ>ม <PlayStation> เขาก็จะไม่มีธรรมะให้ให้เรากลับมาเท่านั้นเองอันนี้เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองของเรา<ม> <im skipping> บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองนี้เราทำกับใครก็ได้ทำกับคนที่มีธรรมะก็ได้ทำกับคนที่ไม่มีธรรมะหรือทำกับสัตว์เดรัจฉาน เราก็จะได้บุญแบบนี้กันเหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการที่เราได้ช่วยเหลือเขาได้ให้ความสุขกับเขาได้แบ่งปันความสุขของเราให้กับเขาไปแต่ถ้าเราอยากจะได้สิ่งตอบแทนจากเขาคือถ้าเราอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องไปทำบุญกับคนที่มีธรรมะและคนที่มีธรรมะมากที่สุดก็คือพระพุทธเจ้า ถ้าเราอยากจะได้ธรรมะอยากจะได้เรียนรู้วิธีสร้างความสุขต่างๆให้กับเราถ้าเรายังไม่รู้วิธีต่างๆเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าความสุขทางใจนี้<ม>เกิดจากการทาบุญทำทานเกิด <c oughs> จากการรักษาศีลเกิดจากการภาวนา<ม>เราก็ต้องไปทาบุญกับคนที่เขามีธรรมะที่จะสอนเรา เวลาเราไปฟังธรรมะไปทำบุญแล้วเราก็จะมีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านได้ยินได้ฟังธรรมรู้สนธนาธรรมกับท่านสิ่งใดที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็สามารถถามได้เพื่อทำให้เกิดความประจ่างขึ้นมานี่คือการทำบุญเพื่อให้ได้ธรรมะควบคู่กับการได้ความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละ ถ้าทาบุญแบบนี้เราก็ต้องเลือกคนทางคนที่มีธรรมะมากที่สุดที่ไหนมีพระที่มีความรู้มากมีความสามารถที่จะสั่งสอนให้คนบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ถ้าเราอยากได้ธรรมะเราก็ต้องไปทาบุญทำทำบุญทำทานกับบุคคลเหล่านั้นแต่ถ้าเราเพียงแต่ต้องการทาบุญเพื่อความสบายอกสบายใจความสุขใจเย็นใจอิ่มใจ เราก็ทำกับใครก็ได้แม้กับพ่อแม่ของเราเราก็ทาได้พ่อแม่ของเราก็เป็นเหมือนพระ อ, อรหันต์ของพวกเราพเพราะว่าพ่อแม่มีพระคุณกับเรามากการได้มีการตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อกับแม่นี้เรียกว่าเป็นการมีความกตัญญูกตเวทีเป็นสัญลักษณ์ของคนดีของคนที่จะของคนที่จเจริ คนที่ไม่มีความกตัญญูกับเดเวทีนี้จะถือว่าเป็นคนดีไม่ได้จะถือว่าเป็นคนเจริญไม่ได้อันนี้เราเราสามารถสร้างความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานกับใครก็ได้กับกับพระก็ได้กับค า, ารวะผู้ครองเรือนก็ได้หรือกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้เช่นเวลาเราไปปล่อยนอกปล่อยปลา เราจะมีความรู้สึกสุขใจเห็นนกปลาเขาได้อยู่อย่างอิสระหรือไปถ่ายชีวิตวัวควายที่จะถูกเขาเชืออไปถ่ายชีวิตเขาแล้วก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจยินใจที่เราได้ช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นเพราะถ้าเรามองมุมกลับถ้าเราเป็นวัวควายบ้างเราจะถูกเขาจับไปเชืออแล้วมีคนเข้ามาถ่ายชีวิตของเรานี้เราจะรู้สึกอย่างไร เราก็จะมีความรู้สึกสุขมากสบายมากสบายใจนะนะนี่คือวิธีสร้างความสุขใจสำหรับท่านที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ที่แทนที่จะไปเอาเงินไปซื้อความสุขทางร่างกายซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวนะเป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอกลับจะสร้างความหิวความอยากให้มีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ก็เปลี่ยนวิธีหาความสุขมาจากทางกายมาหาความสุขทางใจดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้จะทําให้จิตใจเรามีความอิ่มมีความพอทําให้เราไม่หิวโหยกับการที่เราจะต้องไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่หิวโหยกับการไปซื้อของฟุ่งเฟยต่างๆไม่หิวโหยกับการไปเที่ยวไปดูละครไปดูมหาลศบันเทิงอะไรต่างๆ เราอยู่เฉยๆเราก็จะรู้สึกสบายใจอิ่มใจไม่เดือดร้อน mm. แล้วความสุขนี้มันยังจะอยู่กับใจต่อไปหลังจากที่ร่างกายไปแล้วความสุขที่เราได้จากการทำบุญทาทานนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่มา mm. รับใช้เรามาให้ความสุขกับเรา mm. ให้ดวงวิญญาณของเรามีความสุข mm. ดวงที่ดวงวิญญาณที่มีความสุขจากบุญที่ทํานี้ก็เรียกว่าเทวดาเป็นพวกเทพทั้งหลายนี่เองก็ถือว่าบุญนี่แหละเป็นผู้ที่จะส่งให้ดวงวิญญาณของพวกเราไปสู่สวรรค์หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วอันนี้คือความสุขขั้นที่หนึ่งคือความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทานเป็นความสุขที่เราติดไปกับใจได้แต่ก็ หลังจากที่เอาไปกลับใจแล้วไปไปอยู่ในสวรรค์ลแล้วต่อต่อไปบุญที่เราได้ทำมานี้มันก็จะหมดไปพอหมดไปเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเวลาเราเกิกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีบุญวาสนาติดตัวมาเช่นมาเวลามาเป็นมนุษย์ก็อาจจะมาเกิดเป็นเป็นคนที่มีฐานะมั่งอ่ มีฐานะเงินทองมาเกิดในครอบครัวของพ่อแม่ที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็มีร่างกายหน้าตาที่สวยสดง น, นงามมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเหียดเรียนอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่จะได้จากการที่เราได้ทำบุญทำทานในอดีตชาติ พอเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้เกิดเกิดเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีที่มั่งที่มั่งมีสีสุข<ม>เราก็จะมีนิสัยชอบทำบุญติดตัวมามเราเคยทำบุญชาติก่อนพอเรากลับมาชาตินี้เราก็อยากจะทำบุญต่อ<ม>เราก็จะทำให้เรามีบุญสะสมเป็น<ม>เพื่อที่จะทำให้เราเวลาที่เกิดเรายังไม่ได้ไปถึงบุญขั้นสูงสุด เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุคติระหว่างการเป็นมนุษย์กับการเป็นเทพเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดมามาทำบุญทำทางม า, าทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำความสุขให้กับตนแล้วตายไปก็กลับไปเป็นเทพเลยก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายถ้าเรามีบุญคอยรักษาใจเราไว้ อ น, นี่บุคือบุญขั้นที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ให้เรามาฝึกทำกันแทนที่จะเอาเงินเอาทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไปเสพรูปเสี ย, ยงกลิ่นรสต่างๆให้เอาเงินเาทองเหล่านี้มาทำบุญทำทานแล้วเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเวลาที่เราตายไปบุญนี้ก็จะส่งให้เราได้ไปอยู่ในสวรรค์กันอ่า ส่วนบุญข้อที่สองคือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลคือการไม่ทำบาปเวลาเราทำบาปนี้เราจะสังเกตดูแล้วก็จะเห็นว่าใจเราจะไม่สบายใจเราจะวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากกรรมของเราที่เราได้ทำไปแต่ถ้าเรารักษาศีลได้เราไม่ทำบาปได้ความ ความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวความวิตกกังวลกับวิบากกรรมที่จะตามมามันก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่มี <c oughs> การสร้างเจ้ากรรมนายเวรก็คือการทําบาบนี่เว <c oughs> ลาเราไปทําบาปเราไปเบียดเบียนผู้อื่นเราไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อ <c oughs> ผู้อื่เขาก็จะต้องอาฆาตพยาบาทเราเป็นธรรมดา เพราะถ้าใครมาทำให้เราเสียหายหเดือดร้อนมาเบียดเบียนเรามาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราก็จะโกรธเขาเราก็จะฆ่ า, าพยาบาทเขาถ้าเราไม่ต้องการให้ใครมาเป็นเจ้ากรรมในเวรเราไม่ต้องการให้เขามาฆ่ า, าพยาบาทเราเราก็ต้องไม่กระทำบาปพยายามรักษาศีลห้าให้ได้ถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วใจเราจะมีความสุขมีความเย็นใจสบายใจ ไม่ไม่ไม่มีไม่ไมีควา ม, ม, ม, ม, ม <imagination> ทุกข์กังวลกับเรื่องของวิบากที่จะตามมาในเรื่องที่จะต้องไปเจอกับเจ้าเจ้ากรรมนายเวรต่างๆเพราะว่าเมื่อเราไม่ได้ทําบาปเราก็จะไม่ได้สร้างเจ้ากรรมนายเวรให้มาจองเวรจองกรรมกับเราเราก็จะอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสบายใจอันนี้ก็เป็นบุญขั้นที่สองคือสร้างความสบายใจด้วยการไม่ทําบาป เพราะการทำบาปนี้จะทำให้เราไม่สบายใจจะทำให้เราทุกข์ใจวุ่นวายใจหวาดวิตกกังวลพอเราไม่ทำแล้วความหวาดวิตกกังวลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาและเวลาเราตายไปศีลที่เรารักษานี้ก็จะป้องกันใจของเราไม่ให้ตกไปในอบายถ้าเรารักษาศีลได้ไม่ทำบาปได้หรือเราถ้าเราทำบุญด้วยแล้ว ร, รักษาศีลด้วย เราอาจจะบางครั้งพังเผลอไปทําบาปบ้างแต่ถ้าบุญที่เราทํานี้มีมากกว่าบาปที่เราทําเวลาตายไปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์บาปที่มีกําลังน้อยกว่าบุญก็จะไม่สามารถดึงใจให้ไปตกไปในอบายได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทําบุญเลยแล้วเราก็ทําบาปอย่างนี้เวลาตายไปถ้ า, ามีบาปมากกว่าบุญ บาปก็จะดึงใจของเราให้ตกไปในอบายสาเหตุที่ทําให้เราไปอบายก็คือการทําบาปสี่อย่างด้วยกันอบายมีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือเดรัจฉานเปรตอสุลกายและนรกเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณที่ทําบาปเดรัจฉานนี้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าบาปนี้มีผลตามมา เพราะว่าบางทีคนเราทำบาปด้วยความคิดว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นเช่นทําบาปเพื่อเลี้ยงชีพ<ม>คนที่มีอาชีพเลี้ยงชีพนี้เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่ผิดกฎหมายกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามให้ทำอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายสามารถเอามาเลี้ยงชีพได้อันนี้เรียกว่าทำเพื่อเลี้ยงชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเลี้ยงชีพหรือทาบาป อย่างนี้ก็เท่ากับทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบาปมีมีผลที่จะตามมาผลนี้จะตามมาก็เคยจะต้องไปอยู่เป็นสัตว์ในราชานต่อไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะนี้คือนิสัยของสัตว์ในราชานชสัตว์ในราชานเขาเลี้ยงชีพด้วยการฆ่ากันเขาฆ่ากันกินกันเพื่อเพื่อการอยู่รอดของเขาถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วเรา ธรรมชีพค่าสัตว์ต่ชีวิตเพื่อการอยู่รอดของเราเราก็ไม่ต่างจากสัตว์ในลาฉานดีๆนี่เองดวงใจใจของเราหรือดวงวิญญาณของเราก็จะกลายเป็นสัตว์ใรลาฉานไปตั้งแต่ที่ร่างกายเรายัางไม่ตายพอร่างกายตายไปมันก็จะพาให้ใจเรานี้ดวงวิญญาณของเรานี้ไปเกิดเป็นสัตว์ใรลาฉานต่อไปถ้าเราทาบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆ ความโลกนี่มันจะทำให้เราได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอจะทำให้เราเกิดความหิวโหวยอยู่ตลอดเวลาเวลาตายไปเราก็จะไปเป็นเปรตเปรตก็คือดวงวิญญาณที่หิวโหวยได้ได้อะไรเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พออันนี้ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะทำให้เราไปเป็นเปรต ถ, ถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้ มาทำร้ายเราเราก็ไปทำร้ายสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนเช่นกลัวสัตว์กลัวอะไรชนิดต่างๆเวลาเจอสัตว์ก็ฆ่าเขาก่อนเจอรูเจอยุงเจออะไรเจอมดเป็นต้นกลัวเขาจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเราก็เลยฆ่าเขาก่อนถ้าเราทำบาปด้วยความกลัวดวงวิญญาณของเราก็จะถูกความกลัวนี้ค่อยค่อยเข้ามาคุกคามใจเราทําให้เราดวงวิญญาณเรานี้ไม่มีความสุข เป็นดวงวิญญาณที่ทุกข์กับความกลัวต่างๆแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมกันอันนี้ก็จะทำให้ดวงวิญญาณไปนรกเพราะความความโกรธความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธนี้เป็นเหมือนไฟนรกนี่เวลาที่เราโกรธใครอาฆาตพยาบาทใครนี้เราจะรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับราต้องหาวิธี ทำร้ายทำลายผู้ที่ทำให้เราโกรธให้ได้ก่อนถึงจะสงบลงได้อันนี้ถ้าเราไปทำร้ายผู้ด้วยความอาฆาตพยาาบาดวงวิญญาณของเราก็จะถูกความทุกข์ร้อนของความอาฆาตพยาบาปนี้คุกคามใจทำให้ใจเรานี้ไปอยู่ในนรกต่อไปลหลังจากที่เราได้ใช้กรรมหมดแล้วเราก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ของเราก็จะมาแบบในแบบผู้ที่มีด้อยด้อยวาสนาเป็นผู้อา พ, พวาสนาเกิดมายากจนบ้างเกิดมาพิกลพิการบ้างเกิดมามีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงามบ้างเกิดมามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน บ, บ้าง<ม>เกิดมายากจน<ม>เกิดมามี ม, มีมีทุกชนิดต่างๆ ต, ตามมา แล้วก็จะมีนิสัยชอบทำบาปติดตัวมาด้วยเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะกลับไปทำบาปใหม่เคยทาบาปด้วยความด้วยความหลงก็จะไปทาบาปด้วยความหลงใหม่ทาบาปด้วยความกลัวก็จะทาไปทาบาปด้วยความกลัวใหม่เพราะสิ่งเหล่านี้มันติดอยู่ภายในใจแล้วมันก็จะทำให้ดวงวิญญาณนี้จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติระหว่างอบายกับการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ กลับมาเกิดไปมันนู้นก็กลับมาอยู่แบบทุกข์ยากลำบากแล้วก็มาทำบาปใหม่แล้วพอตายไปก็กลับไปเกิดในอบายใหม่นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติที่เป็นสิ่งที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่พึงปรารถนากันวิธีที่เราจะแก้การเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติได้ก็คือวิธีรักษาสิ่งนี้ละเว้นจากการกระทำบาป รักษาศีลห้าทั้งห้าข้อนี้ให้ได้แล้วก็ศีลนี้จะเป็นผู้ที่ป้องกันไม่ให้จิตใจเราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายคือข้อหนึ่งให้เราละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อสองให้เราละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นข้อสามให้เราละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีเนมีชู้กับสามีภรรยาของผู้อื่นข้อสี่ ก็ให้เราละเว้นจากการพูดปลดโกโหกหลอกลวงข้อห้าให้เราละเว้นจากการดื่มสรายาเมาเพราะการดื่มสรายาเมานี้จะทำให้เราขาดสติทำให้เราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เวลาเกิดอารมณ์ที่อยากจะทําบาปข้อใดข้อหนึ่งก็จะไม่มีสติมายับยัง้งแต่ถ้าเราไม่ดื่มสลายาเมาเราไม่เมาเรามีสติเวลาที่เราเกิดอารมณ์ อยากจะทำบาปขึ้นมาข้อใดข้อหนึ่งเราก็ยังสามารถยับยั้งได้สังเกตดูคนที่เมากับคนที่ไม่เมาเนี่เป็นเหมือนคนละคนเลยคนที่คนที่ไม่ดื่มเหล้าเวลาที่ไม่ดื่มเหล้านี้มีอาการกิริยาที่ที่สงบเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยแต่พอดื่มสุราเข้าไปเกิดอาการมึนเมาขึ้นมานี้กลายเป็นอีกคนหนึ่งไปเลย จากคนที่เรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยกลายเป็นคนที่หยาบคายขึ้นมาเป็นคนที่ทําอะไรที่ทําให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นดังนั้นการดื่มสุราแม้ว่าจะไม่ไม่ถือว่าเป็นการกระทําบาปพระพุทธเจ้าก็ทรงกําหนดให้อยู่ในศีห์ห้าเพื่อไม่ให้เราไปทํำบาปได้ง่ายถ้าเราดื่มสุราแล้วการที่จะทําบาปนี้มันง่ายกว่าเวลาที่เราไม่ได้ดื่มสุราด้วยกันนี้คือ เรื่องของความสุขใจขั้นที่สองที่พรเจ้าทรงสอนถ้าเราทําบุญทําทานได้แล้วการรักษาศีลนี้จะง่ายการจะไม่ทําบาปจะง่ายเพราะเหตุใดเพราะเวลาเราทําบุญนี้เราอยากจะช่วยเหลือคนอื่นเราอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเราไม่ต้องการจะเบียดเบียนสร้างความทุกข์เสียหายเดือดร้อนให้กับคนอื่นนั่นเองมันก็จะทำให้เรามีศีลไปในตัวด้วย เวลาเราทำบุญใจเราจะเป็นบุญเป็นกุศลจะไม่คิดอยากจะทำบาปพอเราต้องการพอพอเราต้องการจะรักษาศี่งห้าเราก็จะรู้สึกว่ารักษาได้ง่ายรักษาได้ง่ายกับคนที่ไม่ทำบุญทำทานคนนี้ไม่ทำบุญทำทานนี้เป็นคนที่ไม่ได้มีความหวังที่จะช่วยเหลือใครไม่มีความคิดที่อยากจะให้ความสุขกับใครคิดแต่จะหาความสุขให้กับตนเองอยู่เพียงอย่างเดียวอย่างนั้นเวลาที่ะจะ ไปรักษาศินก็จะรักษารักษาได้ยากเพราะว่าจะคิดถึงแต่ผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับไม่ต้องการจะเสียผลประโยชน์เพราะมีความเห็นแก่ตัวจะไม่คิดถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้เวลาทาอะไรต้องการให้ตนเองมีความสุขคนอื่นจะเดือดร้อนเสียหายก็ไม่ไม่สนใจนี่คือลักษณะของคนที่ไม่ทาบุญจะเป็นคนคิด ที่เห็นแต่ประโยชน์สุขของตนเองไม่คิดถึงความทุกข์ยากลําบากหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นที่อาจจะเกิดขึ้นจากการการะทําของตนเองแต่คนที่ทําบุญทำทานนี้จะเป็นคนที่คํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นว่าถ้าทำลายไปแล้วถ้าทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนก็จะไม่ทําเพราะคนทําบุญนี้อยากจะทำสิ่งใดสิ่งที่จะทําให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราได้ทําบุญทําทานเป็นปกติแล้วถ้าเราต้องการจะรักษาสีลห้านี้เราก็จะเราก็จะรักษาสีลห้าได้อย่างง่ายดายและเมื่อเรารักษาศีลห้าได้แล้วมันก็จะทําให้เรามีกําลังที่จะเพิ่มการรักษาศินจากศี่ห้าให้ขึ้นไปสู่ศินแปดต่อไปเพราะว่าการที่เราจะไปสร้างบุญระดับที่สามคือระดับภาวนาได้เราจําเป็นที่จะต้อง มีความสามารถที่จะรักษาสินงแปรให้ได้คือการละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่างๆนั่นเองเพราะว่าถ้าเราต้องการไปภาวนาไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเราจำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับกับการปฏิบัติแต่ถ้าเรายังเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เช่นถ้าเรายัง อยากจะดูหนังฟังเพลงอยู่อยากดูละครอยากกินอยากดื่มอาหารตามตามความอยากตามความต้องการตลอดเวลาอยู่อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะนอนมากๆหรืออยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนอย่างนี้เราก็จะหาเวลามาให้กับการปฏิบัติไม่ได้เราจะไม่มีเวลาให้กับการเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราอยากจะได้พบกับความสุข ที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการทาบุญทาทานจากการรักษาสินจากการหาความสุขจากลูกเสียงกล็นรถชนิดต่างๆซึ่งที่เป็นความสุขทางกายเราก็ต้องมาละการหาความสุขทางกายด้วยการถือสินแตกสินแตกก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกสี่ข้อหรือสามข้อหรือข้อที่สามข้อที่ ที่ห้าไม่ให้ไปมีชู้กับผู้นั้นก็จะเปลี่ยนเป็นการห้าไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใครเลิกทํากิจกรรมร่วมหลับนอนกันเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปทํากิจกรรมนี้มาให้กับการนั่งสมาธินั่นเอง mm hmm. แล้วก็ให้เรากินอาหารพอต่อความต้องการของร่างกายก็พอเพิ่กินวันละมื้อสองมื้อไม่ให้เกินเที่ยงวันก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายไม่จําเป็นจะต้องกินตามความอยากกินในวันละหลายๆรอบ ถ้ากินแล้วมันจะติดแล้วมันอยากจะกินอยู่เรื่อยๆความอยากกินนี้มันจะทำให้เวลาไปนั่งสมาธิแล้วมันจะรู้สึกอึดอัด<ม>เพราะเวลานั่งสมาธิแล้วมันจะไม่ได้กินนั่นเองแต่ความอยากกินมันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาแต่เราก็ต้องพยายามฝืนถ้าเราเห็นว่าความสุขที่เราได้ไดจากการนั่งสมาธิทาใจให้สงบนี้ มันเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการกินการดืม่มเพราะการกินการดื่มนี้นอกจากมีความสุขแล้วมันก็มีโทษตามมาได้ถ้าเรากินมากเกินไปมันก็จะมีโทษต่อร่างกายร่างกายเราก็จะมีน้าหนักเกินแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเข้ามาเบียดเบียนได้ความสุขที่ได้จากการกินก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องหาหมอ อันนี้ถ้าเรารู้จักกินโดยประมาณกินเพราอเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้กินไม่ให้เกินน้าหนักเกินนี้ร่างกายก็จะไม่มีโทษตามมาอนนี้คือถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่สูงขึ้นกว่าความสุขที่ได้จากการทาบุญทาทานจากการรักษาสีงเราก็ต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติทำใจให้สงบนอกจากการไม่ กินอาหารแล้วก็ไม่ไม่หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆหมอเราสดบันเทิงก็ต้องละเว้นไปไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงต่างๆเป็นต้นแล้วก็ไม่เสริสวยความงามทางร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภรรศีชุดฉาวิจิตทิศดานต่างๆเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขทางกาย ที่เราจะต้องละถ้าเราอยากจะได้ความสุขทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่ดีกว่าที่เราสามารถเอาติดไปกับใจของเราได้เราก็ต้องเราก็ต้องยอมทนต่อการอดความสุขเหล่านี้เพื่อเพื่อความสุขที่ดีกว่าเพื่อความสุขที่เหนือกว่าถ้าเราละเว้นการหาความสุขทางกายได้รักษาสินแได้เราก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่การปฏิบัติ สมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้ได้รับความสุขทางใจในระดับที่ที่สามนี้จำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากไม่ใช่นั่งสมาธิเพียงห้านาทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงแล้วจะได้ผลขึ้นมาทันทีการที่จะได้ผลจากการนั่งสมาธิไม่ต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่วันตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าเราต้องการจะหาความสุขจากการปฏิบัติสมาธินี้เราต้องหาเวลา หาวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเช่นวันหยุดทำงานของเรานี้เราก็เอาเวลาของวันหยุดนั้นมาให้กับการปฏิบัติสมาธิแล้วเราก็ต้องไปหาสถานที่ที่สงบถ้าเราปฏิบัติในที่ที่ไม่สงบเช่นปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่มีคนอื่นอยู่ร่วมด้วยแล้วคนอื่นเขาก็ยังเสพความสุขทางลูกเสียงกลิ่นรสอยู่มันก็จะสร้างความ เย้ายวนใจให้กับเราเวลาที่เห็นเขากินข้าวเย็นเวลาที่เห็นเขาดูหนังดูละครแล้วเราไม่เราพยายามหักข้ามจิตใจมันก็จะสู้ไม่ไหวใจถ้ายังเริ่มต้นใหม่ๆใจจะ อ, อ่อนต้องควรไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากกิจกรรมทางลูกเสียงกิดรถกันเป็นไปอยู่ตามวัดปฏิบัติต่างๆถ้าไปอยู่ตามวัดปฏิบัตินี้จะไม่มีการเสดลูกเสียงกิจรถจะไม่มีการกินอาหารเย็นกัน จะไม่มีการดูหนังสังเพลงมีแต่เข้าโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์สดสมาธิทางเทศทางธรรมกันถ้าเราอยากจะสร้างความสุขทางใจด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาขั้นสมาธิเราก็จาเป็นที่จะต้องไปหาที่ที่สงบสงัดและต้องมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเป็นอย่างน้อย เราสามารถมีเวลาปฏิบัติอย่างนี้โอกาสที่เราจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จะมีมากถึงแม้จะได้ไม่มากก็ตามก็จะได้เห็นเห็นเป็นหนังตัวอย่างว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วจิตใจเราเย็นจิตใจเราสงบนี้มันเป็นความสุขอย่างยิ่ง อ, อันนี้คือความสุขขั้นที่สูงกว่าเป็นความสุขขั้นที่สามคือความสุขที่ได้จากการฝึกสมาธิ เลยละการจะทำใจให้เราสงบได้นี้เราต้องมีสติคอยควบคุมความคิดถ้าใจเราไม่หยุดคิดนี้นั่งสมาธิไปเท่าไหร่ใจก็จะไม่สงบใจก็จะไม่มีความสุขใจจะเกิดความสุขเกิดจากความสงบได้ก็ต่อเมื่อเรามีสติคอยห้ามปลามความคิดของเร า, าการที่เราจะห้ามความคิดของเราเราต้องมีอารมณ์ผูกใจเอาไว้อารมณ์ที่ผูกใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐานหรือ อนุสติต่างๆเช่นพุทธานุสติพุทธานุสติก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการผูกใจไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพุทธานุสติก็คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่เราก็ต้องฝึกเจริญอนุสติพุทธานุสติตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งสมาธิเพียงเดียวเพราะถ้าเรามาทําสติตอนที่เรามานั่งสมาธิสติจะมีกําลังน้อยมาก ้ะนั่งได้ไม่นานแล้วจะทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะไม่สงบจิตจะรู้สึกเกิดอัดขึ้นมาวิธีที่จะทําให้เรานั่งสมาธิได้เราต้องฝึกสติก่อนที่เรามานั่งเราต้องฝึกตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาเช่นเราไปอยู่วัดแล้วเนี่ยพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จเจริญสติทันทีเลยก่อนที่เราจะรู้จากที่นอนขึ้นมาเราก็ต้องจเจริญพุทธานุสติ เราเลือกถึงพระพุทธเจ้าเาลึกถึงพุโทโธพุธโทโธเริ่มพุโทโธพุธโทโธไปตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปนี้เราจะสามารถควบคุมความคิดได้ต้องการใจไม่ให้ไปคิดเรื่อยเปลือยได้ในระหว่างที่เราเตรียมตัวอาบน้ําน้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวนี้เราก็พุโทโธพุธโทโธไปเพราะเราไม่ต้องใช้ความคิดกับอะไรวันที่เราหยุดทํางานนี้เป็นวันที่เหมาะต่อการเจริญสติอย่างยิ่ง ถ้าเราหมั่นจเจริญสติได้ตลอดเวลาพอถึงเวลาที่เรามานั่งสมาธินี้ใจก็จะไม่ฟุง้งความคิดก็จะน้อยความคิดจะเบาจะไม่มีความรุนแรงเวลานั่งแล้วเราก็เปลี่ยนจากพุโทโธมาเป็นการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือเราจะใช้คาว่าพุโทโธต่อไปก็ได้เวลานั่งสมาธินี้สามารถใช้ใช้อนุสติได้หลายรูปแบบด้วยกันใช้กรรมาฐานได้หลายอย่างจะใช้พุทธานุสติก็ได้ เช่นเานั่งนับตาแล้วเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธต่อไปภายในใจอย่าหยุดพุทโธเวลานั่งสมาธิถ้าหยุดนะเดี๋ยวใจจะเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วมันอาจจะปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาหลอกเราว่าได้เห็นเทวดาบ้างได้เห็นสวรรค์บ้างได้เห็นนรกบ้างซึ่งความจริงมันไม่ได้เป็นความเห็นที่ ท, ที่แท้จริงมันเป็นความคิดปรุงแต่งของใจเนื่องจากใจตอนนั้นขาดสติไม่มีไม่มีสติคอยกํากับ ควบคุมความคิดปรุงแต่งของใจใจมันก็เลยปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆขึ้นมาคนที่ไม่มีประสบการณ์คนที่ไม่รู้เรื่องก็ไปคิดว่าตอนนี้ตนเองได้ไปสวรรค์แล้วได้เห็นนรกแล้วซึ่งความจริงมันแค่เป็นความคิดปรุงแต่งเป็นจินตนาการของใจปรุงแต่งขึ้นมาหลอกใจเองเท่านั้นดังนั้นเวลานั่งสมาธิต้องมีสติกากับอารมณ์อยู่ตลอดเวลามีอารมณ์สติมีอารมณ์กากับใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพุท ธ, ธานุสติก็ใช้พุโทโธพุธโทโธไปอย่างเดียวก็พอไม่ต้องดูลมด้วยก็ได้ถ้าเราอยากจะดูลมเราไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้ว่าลมเข้าหายใจออกก็รู้ว่าลมออกรู้ที่ที่ลมสัมผัสเข้าออกแถวบริเวณปลายจมูกขึ้นมาให้รู้อยู่แถวนั้นจุดเดียวอย่าเคลื่อนไหวอย่าอย่าย้ายที่ให้ดูลมไปอย่างนี้ แล้วก็อยากให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่กับลมถ้าอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องได้เดี๋ยวใจก็จะนิ่งเข้าสู่ความสงบได้พอจิตนิ่งสงบแล้วลมก็หายไปพุโทโธก็หายไปถ้าเราใช้พุโทโธพุโทโธก็จะหายไปโดยอัตโนมัติถ้าเราดูลมลมก็จะหายไปเพราะจิตเราจะเข้าสู่ความว่างความสงบนี้ก็คือความว่างไม่มีอะไรให้เราเห็นนอกจากนอกจากความสุขที่เกิดจากความสงบ และความปา่าเถื่จากอารมณ์รักชังกลัวหลงที่เราเรียกว่าอุเบกขาอันนี้แหละเป็นความสุขที่มหาศจรญจัยถ้าใครเข้าถึงความความสงบอันนี้แล้วจะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้ายังไม่ได้เจอความสุขแบบมหาสจารย์ใจก็ยังถือว่ายังไม่ได้เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่จิจใจจะค่อยๆสงบไปทีละขั้นทีละขั้นแต่ยังไม่สงบถึงขั้นมหาศจารญจัยยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่า สมาธิไม่ว่าจะเป็นขณิกะสมาธิหรืออัปปนาสมาธิถ้าเป็นขณิกะหรืออัปปนานี้มันจะก็ความรู้สึกมหัศจรรย์ใจเป็นความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนในโลกนี้ถ้ายัางไปไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องภาวนาต่อไปปฏิบัติต่อไปเจริญสติพุทโธต่อไปหรือถ้นั่งก็ดูลมหายใจต่อไปก็ได้หรือดูลมหายใจต่อไปก็ได้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องได้พบกับความสงบอย่างแน่นอน เราจะได้พบความส in um, ihn, en, her here, Clone, époque, so ุขที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของทางของต่างตาหูจมูกนิ้นตายพอเราได้ความสุขแบบนี้แล้วท่านต่อไปเราก็ต้องรักษาความสุขนี้ให้อยู่อย่างยั่งยืนเพราะความสุขที่เราได้จากการนั่งสมาธินี้มันยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่เวลาเราออกจากสมาธิมันเดี๋ยวใจเราก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหลือไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วความอยากที่จะหาความสุขจาก รูกเสียงกลิ่นน้อย้าความสุขจากสิ่งต่างๆมันก็ยังจะกลับคืนมาได้อยู่เพราะสมาธินี้เพียงแต่กดความอยากต่างๆไว้ไม่ได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจการที่จะทำให้ความอยากหมดสิ้นไะจากใจเพื่อเพื่อที่จะทำให้ใจนิ่งสงบไปตลอดต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ใจนี้ไม่สงบ ทำทำให้จิตใจฟุ้งซ่านวุ่นวายใจก็คือความอยากทำให้จิตใจไม่มีความสุขก็คือความอยากและสิ่งที่อยากได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นนาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นเลือกเสียงจิตลดต่างๆมันก็ให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะหมดไปพอมันหมดไปมันก็จะทำให้ใจเศร้าทาให้ใจทุกข์อีกทําไม่ต้องการที่จะทาให้ใจ เศร้าใจทุกข์ก็ต้องอย่าไปหาความสุขตามความอยากไม่ต้องทําตามความอยากให้หยุดความอยากให้ได้ถ้าเรามีกําลังของสมาธิจิตมาด้วยพอเรารู้ว่าการทําตามความอยากจะทํานําพาไปสู่ความทุกข์สู่ความไม่สงบเราก็ฝืนได้เราก็หยุดความอยากต่างๆได้อยากจะไปเที่ยวก็หยุดได้อยากจะไปมีแฟนก็หยุดได้อยากจะไปหาเงินหาทองก็จะหยุดได้หยุดได้ทั้งหมดเพราะจะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งนั้น ได้มาแล้วก็จะต้องทุกข์กับมันเพราะไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็จะต้องมีวันหมดไปแล้วมันไม่ให้ความอิ่มความพอพอมันหมดมันก็จะทำให้เราหิวทำให้เราอยากอีกนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นเห็นโทษของความอยากต่างๆที่เรายังไม่ได้กำจัดด้วยกำลังของสมาธิเพราะจากสมาธิมาความอยากต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมา เราต้องใช้ปัญญาหรืออย่าทำตามความอยากทำแล้วมันจะทำให้เราทาไม่มีวันสิ้นสุดได้วันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะได้ใหม่ได้มาเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มไม่พอได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วางความอยากมันไม่มีขอบมีเข็ฟ้ามหาสมุทรทะเลมันยังมีฝั่งมีฝาแต่ความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีเขตได้เท่าไหร่มันจะไม่อิ่มไม่พอมันจะหลอกให้เราไปหามาอยู่เรื่อย แล้วเราก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปหามาหามาแล้วก็ต้องมาเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลรักษาและเวลามันจากเราไปก็ต้องทำให้เราเศร้าโศกเสียใจนี่คือการใช้ปัญญาให้เห็นโทษของการทำตามความอยากตา่างๆพอเรารู้ว่าการทำความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ต่อไปเราก็หยุดทำตามความอยากเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรต่อไปพอใจเราไม่มีความอยากใจก็จะสงบลงทันที สงบเข้าสู่ความสงบแบบสมาธิโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็จะมีความสุขเหมือนกับการที่ได้เข้าสมาธิแล้วก็เป็นความสงบที่ยั่งยืนที่ถาวรเพราะถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทําลายความสงบของใจได้อีกต่อไปใจก็จะอยู่ความสงบนั้นไปตลอดอยู่กับความสุขนั้นไปตลอดความสุขที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรนี้ที่เกิดจากการได้กําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี้ พระพุทธเจ้เรียกว่านิพานนี่นิพานไม่ใช่สถานที่นิพานก็คือจิตใจของพวกเราที่ได้รับการซักฟอกได้รับการกําจัดความอยากต่างๆด้วยการปฏิบัติสมาธิและปัญญานี่ถ้าเราจะสามารถปฏิบัติสมาธิและปัญญาและสามารถกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เราก็จะได้นิพานขึ้นมาในใจเราเราจะได้ความอิ่มความพอได้ความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่จะทําให้เราไม่ต้องไปหาความสุข ทางร่างกายกต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ต่อไปเพราะว่าความสุขที่เราได้จากทางร่างกายมันก็สู้ความสุขที่เราได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้ความสุขที่เราได้จากการกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจอันนี้แหละเป็นบรมสุขที่พุทธเจ้าทรงตรัสว่านิบานังปรมังสุขค่นิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆ ที่ได้ถู ก, กำจำกัดกำจัดด้วยการปฏิบัติภาวนาจิตตะภาวนาคือสมาธิและปัญญานี่ mm hmm. นี่ละคือความสุขสุดยอดและจะอยู่กับใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด mm hmm. ตอนนี้ใจของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่กับความสุขอันนี้อยู่เพราะพะพุทธเจ้าไม่ได้หายไปไหน เพียงแต่ถ้าไม่มาเกิดเท่านั้นเองถ้าไม่มามีร่างกายไม่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือมาให้ความสุขเพราะความสุขทางร่างกายมันเป็นความสุขชั่วคราวมันจะต้องจบลงไปด้วยด้วยความทุกข์เพราะร่างกายมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนั่นเองอ น, นี่แหละคือเรื่องของความสุขทางใจที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะธาวาเรวหาปูราตลิปุเรนติสาขหลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปัตชิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปนะ阿拉โยทามณิโชติ阿拉โสยทาสัพพิติโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะ อภิวาธานสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรรมวัทานติอายุวันโสุขังภาลางังช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรฟังแล้วไม่เข้าใจอย่างจะถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างขึ้นมาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย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 ใครอยากจะถามก็ให้คขาถามก่อนนะอ่ะคำถามจากทางไค่อยากจะถามถามไหมคะาไม่มีก็คำถามจากทาง inbox ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งสมาธิใจจะกังวลกับร่างกายกับความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยล้าเราจะสามารถข้ามผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้อย่างไรคะไม่ค่อยมีโอกาสได้นั่งสมาธิบ่อยๆคะ่ะแต่มีความตั้งใจพยายามอยู่คะ่ะต้องเพิ่มกําลังของสติให้มากขึ้นก่อนจะมานั่งก็ต้องเจริญสติให้มากๆบ่อยๆพุโทโธอยู่เรื่อยๆและเวลานั่งก็ต้องใช้สติให้อยู่กับพุโทโธไปให้มากที่สุด เราก็จะสามารถผ่านความเจ็บของร่างกายไปได้ถ้าสติไม่มีกำลังพอจิตก็จะแยกออกจากร่างกายไม่ได้เน้ต้องพยายามฝึกสติให้มากทั้งที่ก่อนนั่งและทั้งขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ถ้าสติมีกำลังมากแล้วก็ก็สามารถดึงจิตให้ออกจากร่างกายได้ชั่วคราวเข้าสู่ความสงบได้คำถามจากผู้รับฟังนะ้ากุดค่ะมีสองข้อค่ะ ข้อที่หนึ่งถ้าคุณแม่เสียชีวิตได้หนึ่งเดือนแล้วลูกฝันเห็นแม่แม่บอกว่าแม่ไม่มีบ้านอยู่สร้างบ้านให้แม่หน่อยแล้วลูกจึงทาเงินไปแล้วลูกจึงนาเงินไปทาบุญโดยการสร้างกุฏิพระแต่ยังสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จถ้าสร้างเสร็จแม่ของลูกจะได้มีบ้านอยู่ไหมเจ้าคะก็สร้างบ้านคงแตกก็ได้ก็เผาส่งไป เพราะความฝันบางทีมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนบางทีจิตเราก็จินตนาการไปเองก็ mm hmm. ทำบุญไปตามกำลังของเราไม่ใช่มาขอรถโ ล, ลอยก็ต้องซื้อรถโ ล, ลอยส่งไปให้เขาก็ mm hmm. <laughs> ามีแบบับซื้อแบบโกงเต็กขึ้นซื้อรถเบนซ์โกงเต็กเองเขามีขายตามตามร้านขายของของคนจีนเราอยากจะส่งรถให้เขาก็าไปซื้อรถรถกระดาษล้วก็เผาส่งไปให้เขา ข้อที่สองค่ะถ้าเราเคยภาวนาขอพระพุทธรูปที่วัดแห่งหนึ่งว่าถ้าชีวิตดีขึ้นจะให้สัจจะว่าจะบำรุงวัดในทุกๆเดือนพอมารับฟังธรรมจากพระอาจารย์เลยคิดว่าถ้าลูกนำเงินที่บำรุงวัดวัดเดียวไปรกระจายทำบุญที่บ้านเด็กพิการโรงพยาบาลสงฆ์บ้านพักคนชาราจะสามารถช่วยได้หลายสถานที่แบบนี้จะถือว่าผิดสัจจะหรือไม่เจ้าคะ ก็อยู่ที่เราตั้งสัจจะไว้อย่างไรถ้าเราไม่ได้ตั้งจํานวนว่าจะบําบุงวัดเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรผูกมัดที่เราจะแบ่งไปทากับที่อื่นได้แต่ถ้าเราตั้งจํานวนไว้ว่าเ <c oughs> งินทั้งหมดที่เรามีอยู่นี้จะบําบุงวัดนี้วัดเดียวถ้าเราอยากจะรักษาสัจจะเราก็ต้องทําตามที่เราตั้งสัจจะเอาไว้ <c oughs> คําถามจะพูดเราฟังหนะ้าคุดค่ะจิตของเรามีกี่ดวงคะ อ๋ดวงเดียวแต่มันเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนะเปลี่ยนอาการได้บางที จ, จิตก็สดใสเบิกบานบางทีจิตก็เศร้าหมองบางทีจิตก็โลภจิตก็โกรธนี่คืออาการต่างๆของ จ, จิตแต่ จ, จิตมีดวงเดียวเหมือนโรงละครมีโรงเดียวแต่โงรงละคร น, นี้อาจจะมีเรื่องหลายเรื่องเข้ามาเล่นอาทิตย์นี้เล่นเรื่องนี้อาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนอีกเรื่องเล่นไปเรื่อยๆแต่เป็นโงรงละครอันเดียวกันค น, คนแสดงก็คนเดียวกัน เปลีนป่นเปลี่ยนเรื่องเป็ีนบุบาทไปจิตของเราก็มีอาการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันก็สดชื่นบุญบานบางวันก็เศร้าหมองบางวันก็ดีใจบางวันก็เสียใจนี่คืออาการของจิตที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ตัวจิตนี้ไม่เปลี่ยนตัวจิตก็อยู่เหมือนเดิมเป็นเหมือนโลอคอนคำถามจากคุณวาสนาค่ะกลับเรียนถามว่า กู้เงินมาทำบุญจะทําให้ตกนรกไหมคะพอเงินเดือนออกก็จะไปใช้คืนเขาน้ำกราบสาธุเจ้าค่ะถ้าไม่โกงเขาก็ไม่ตกนรกถ้าโกงเขาก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งนรกคำถามจากคุณไพศาลคะ่ะกราบเรียนถามว่าถ้าเราเดินทางไปไหว้พระที่วัดจีนพระพุทธศาสนามหายานแล้วเราไหว้พระพ ธ, ธิสัตว์ ธรรมบาลมหายานเทพเจ้าจีนจะเป็นศีลพัตะปรามาทไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรจากเขาหรือไม่ถ้าเราหวังให้พ้นทุกข์หวังให้เขาช่วยเรานี้มันก็เป็นศีลพัตะได้เพราะการกราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆไม่ได้สามารถที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ได้หรือให้เรามีความสุขได้มันอยู่ที่การปฏิบัติดีหรือชั่วของเราเท่านั้นที่จะทําให้เราพ้นทุกข์หรือ ตกอยู่ในกองทุกข์ต่อไปแต่ถ้าเราไหว้เพื่อเพื่อแสดงมารยาทแสดงความเคารพเหมือนเราไหว้คนนั้นไหว้คนนี้ก็ไหว้ได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นศีลป์พระเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีอันดีงามสําหรับคนเราเวลาเราไปพบปะกันไปที่ไหนที่มีคนเขาเคารพนับถือเราก็เริ่มแสดงความเคารพนับถือไปด้วยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องศีลป์พระถ้าเราไม่ต้องกับ เราไม่ได้หวังผลเลจากบุคคลที่เราไปกราบไหว้ด้วยคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอสอบถามอยากทราบว่าสิ่งใดจะเป็นตัวจำหรือบันทึกกรรมที่เราได้ทำลงไปแล้วทั้งกุศลและอกุศลหรือเมื่อเราตายธรรมชาติจะจัดสรรเองหรือเจ้าคะความจำเนี่ยเราจำเรื่องนั้นเรื่องนี้เมื่อวานนี้เราไปเที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็จะบันทึกไว้ เหมือนกับเราสมัยนี้มีกล้องถ่ายรูปเนี่ยเราไปกินร้านอาหารไหนเราก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ถ่ายถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้มันก็อยู่ในเครื่องเนี่ยใจเราก็เป็นเหมือนเครื่องอัดอัดเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์ที่ดีเราก็เรียกว่าบุญเหตุการณ์ที่ไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปแล้วเวลาเรานอนหลับนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญหรือบาปที่เราอัดไว้อันไหนมันมีกําลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกําลังมากกว่ากันมันก็จะสร้างความฝันร้ายให้เรา ถ้าบุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะสร้างความฝันดีให้กับเราเวลาเรานอนหลับฝันดกกาานนนีนี่แสดงว่าใจเรามีบุญมากกว่าบาปเวลาเรานอนหลับแล้วฝันร้ายนี่แสดงว่าใจเรามีบาปมากกว่าบุญเห็นต้องรีบทำบุญให้มากขึ้นก็ mm hmm. จะได้ให้มันมีกำลังมากกว่าบาปเราจะได้ฝันดีแล้วเราตายไปบุญจะได้ดึงเราไปสวรรค์ได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะเรียนถามครับเราควรใช้วิธีจำแนกระหว่างจิตที่ยังมีนิง่งสังขารที่ปรุงแต่งและมโนภาพที่คิดขึ้นมาอย่างไรดีครับเขาด้วยการเพ่งพุโทโธนี่แหละด้การเพ่งดูลมงหายใจเขา้าอย่าไปคิดถ้าไปคิดแยกแยะมันไม่มีวันที่จะแยกแยะได้ต้องหยุดความคิดทะนั้นนั้นมันก็จะแยกออกจากกันเอง คำถามจากทางเฟ e บ o o k ค่ะตอนคุณพ่อเสียกระผมไม่รู้สึกเสียใจเลยเพราะผมมองว่าการตายเป็นเรื่องปกติแบบนี้ถือว่าอกตันยูไหมครับไม่หรอกมันเรื่องของปัญญาอกตันยูว่คือไม่ทำบุญส่งไปให้เขาไม่ใช่อักตันยูแต่เรื่องความเศร้าโศกเสียใจนี้ไม่ได้แสดงว่าเรามีความอักตันยูแต่อย่างใดเพราะบางคนไม่มีความอักตันยูแต่เสียใงร้องไห้ร้องห่งมก็มี อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความกตันยูความกระตันยู อ, นย อ, อยู่ที่การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้กับผู้ที่มีพระคุณกับเราทังที่เราเรียกว่าเรามีความกระตันยูถ้าเราไม่ตอบแทนบุญคุณเลยก็แสดงว่าเราไม่มีความกระตันยูเลยคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะตอนนี้คุณแม่ป่วยไม่สบายควรวางใจอย่างไรให้ไม่ถุกคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนฝนตกแดดหอกเราห้ามไม่ได้เราหยุดมันไม่ได้ ฝนจะตกแดดจะออกมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของร่างกายที่เราห้ามไม่ได้ไปเศร้าโศกเสียใจไปวิตกกังวลก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทาอะไรได้ก็ทำไปรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้าทำเต็มที่แล้วก็ต้องปล่อยวางือเวคาไปคำถามจากทางยู u ูบด็อตอร V ฟีค่ะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาจากจิต ด, ดวงเดียวกันไหมคะ จตของแต่ละคนแต่มาคน้คนพบความจริงเหมือนกันพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาค้นพบอริยาาสัจสีความจริงที่ทําให้รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดและอะไรที่จะทําให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้เป็นความจริงที่เหมือนกันทุกๆพระองค์อริยาาสัจสีไม่ว่าจะอยู่ยุคใดสมัยใดอริยสัจสีนี้จะเหมือนกันหมดทุกสมุทัยนิโรธมาเหมือนกันแต่จิตใจของแต่ละคน ไม่ไม่ได้เป็นจิตใจดวงเดียวกัน จ, จิตใจของเราวับจิตใจของพระพุทธเจ้านี่คนละดวงกันแต่สามารถมีความเห็นดวงตามีดมีดวงตาเห็นธรรมได้เหมือนกันเห็นอริยสัจสีได้เหมือนกันตัดสรลุได้เหมือนกันแต่ต้องมีความสามารถมีบา ร, รมีสะสมมามากถ้าต้องการเห็นความจรงิงเห็นอริยสัจสีได้ด้วยตนเองนี้ต้องเป็นพระโพธิสัตว์แต่ถ้าเป็นพระสาวกนี้ต้องรอให้มีพระพุธทธเจ้ามาสั่งสอน้ก่อน ทาาท้้้งดเเเนนี่่สาาาามมรรถหห็็ตะจไคําถามจากทาง inbox ค่ะธรรมะเป็นของดีของวิเศษแต่ทําไมหลายๆท่านฟังธรรมามากๆกับหลงเพี้ยนแล้วคิดว่าตนเองบรรลุทำแล้วก็สอนคนอื่นเจ้าคะเพอาะยังเรียนไม่มากพอต้องเรียนให้มากๆก่อนถึงจะไม่เพี้ยนที่เพี้ยนนันส่วนใหญ่เพราะไม่ค่อยได้เรียนกันแล้วเรียนจากแหล่งที่ไม่ถูกต้อง แหล่งที่เพี้ยนอยู่แล้วพอไปเรียนกับแหล่งที่เพี้ยนมันก็ทําให้เราเพีย้ยนตามได้ h ั้นต้องเรียนจากพระตไตรปิฎกถึงจะได้แหลงความรู้ที่ถูกต้องคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุศค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายคําว่าคําทุกข์ให้แจ้งทํานิโรธให้แจ้งกราบขอบพระคุณค่ะก็มันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเราแต่เรามองไม่เห็นเวลาเราทุกข์ใจนี่เราไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทาให้เราทุกข์ ถ้าโทษว่าเงินไม่พอใช้ก็เลยทาให้เราทุกข์ควาจริงไม่ใช่เรื่องเงินไม่พอใช้ไม่พอใช้เรื่องอยู่ที่ใจอยากจะใช้เงินหรือไม่ใช้เงินเท่านั้นเองถ้าใจอยากจะใช้เงินมีเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้มันก็จะทุกข์ได้แต่ถ้าใจไม่ต้องการใช้เงินนั้นมีเท่าไหร่มันก็มีหรือไม่มีมันก็ไม่ทุกข์ใจเั้นต้องทําให้แจ้งให้เห็นว่าความทุกข์ใจก็ดีเหตุของความทุกข์ใจที่ดีมันเกิดที่ในใจเรา มันไม่ได้เกิดที่คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเรามักจะไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทาให้เราทุกข์กันความจริงไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้หรอกเราท่านั้นแหละที่ทําตัวให้เราทุกข์กันเองทุกข์ด้วยความอยากของเราพอเราอยากให้เขาทําอย่างนี้ให้เราพอเขาไม่ทําให้เราก็ทุกข์เสี ย, จยใจม้แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้เขาทาอะไรให้เราเราก็จะไม่ทุกข์เขาจะทําอะไรไม่ทําเราก็จะไม่ทุกข์เหั้นทุกข์มันอยู่ที่ใจเกิดจากความอยากของใจ ถาสักผู้รับฟังนะกูดค่ะการตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงต้องบวชทดแทนพระคุณท่านอย่างเดียวหรือไม่เจ้าคะและถ้ายังต้องมีภาระทั้งโลกหากไม่ได้บวชจะเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะคือการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ไม่ใช่อยู่ที่การบวชอย่างเดียวทําได้หลายวิธีเลี้ยงดูท่านเคารพท่านเชื่อฟังท่านอันนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่ และเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้สิ่งที่เราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำทานั้นเองคำถามจากผู้รับฟังนากุดค่ะ How can a meditator tell the difference between n i m i t t a and delusion? Thank you ค่ะ For most beginners, they are all delusion. So just don't pay attention to them. Real n i m i t t a has to come after you have attained Samadhi first. คําถามจากอินบ็ค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคําสอนของสมณะแต่ละรูปน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดหรือตรงกับพุทธวจนะหรือไม่ค่ะก็ต้องสอนตามที่พระเจ้าทรงสอนคือต้องมีสอนมรกคแปดสอนศีลสมาธิปัญญาหรือสอนทานศีลภาวนา ถึงยัเป็นคําสอนที่ถูกต้องคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะกราบสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าศาสนาพุทธมีการเชื่อมจิตให้กันหรือไม่เจ้าคะมีการถ่ายทอดความรู้จากจิตสู่จิตเช่นพระเจ้าแสดงธรรม่อเอาความรู้จักใจของพระเจ้าส่งมาให้พวกเราเข้ามาทางหูแล้วก็เข้ามาสู่ทางใจจะเรียกว่าเชื่อมจิตหรือไม่เชื่อมจิตอันนี้ก็เป็นเป็นศัพท์ที่ใช้กันไป แต่มีการถ่ายทอดความรู้จากใจสู่ใจจากใจของพระพุทธเจ้าสู่ใจของพวกเราใจของพระพุทธเจ้าสว่างก็เหมือนกับถ่ายแสงสว่างให้มากับใจของเราที่มืดให้มันสว่างขึ้นมาเวลาเราฟังธรรมแล้วเราเกิดมีดวงตาเห็นธรรมนั้นแสดงว่าใจเราสว่างนะเห็นทุกสมุทัยนิโรธนักแล้วว่าอยู่ที่ใจของเรา คำถามจากคุณเบญจวรรณค่ะอยากทราบว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่คะหรือเป็นเพียงกุศโลบายคะนรกสวรรค์ก็คือสิ่งที่ใจเราสร้างขึ้นมาถ้าเราทําบุญเราก็จะสร้างความสุขเรื่องราวต่างๆที่เป็นความสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าเราทําบาปเราก็จะสร้างเรื่องราว ท, ที่ทุกข์ที่ทรมานใจขึ้นมาเราก็เรียกว่านารกนรกกับสวรรค์ น, นี้ก็เป็นเหมือนโลกของความฝั น, เ, นเหมือนตอนที่เรานอ น, อนหลับ เวลานอนหนับนี่เราก็เหมือนนันเราตายชั่วคราวเพราะตอนนั้นร่างกายก็ไม่ได้ทำอะไรใจก็เลยใช้บุญหรือบาสมาเป็นเครื่อ ง, เ ค, องอเครื่องเครื่องเลี้ยงเครื่องเครื่องอยู่ของใจใจอยู่เฉยเฉยไม่ได้ความอยากมันไม่มันไม่ชอบความว่างมันต้องสร้างเรื่องขึ้นมามันก็เอาเรื่องที่ไปทำบุญทาบาสมาสร้างเป็นเรื่องเวลาของความฝันขึ้นมาเวลาตายก็เป็นแบบนั้น เวลาที่ร่างกายตายไปเราไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาเรื่องราวต่างๆมาให้เราเสกได้ใจก็จะใช้บุญหรือบาปนี้มาเป็นตัวสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาถ้าเป็นเรื่องของบุญก็จะเป็นสวรรค์ถ้าเป็นเรื่องของบาปก็จะเป็นเรื่องของนรกคำถามจากคุณป๊อปค่ะขอโอกาสพระอาจารย์สอนเหตุปัจจัยที่เอื้อให้การทาสมาธิแล้วจิตจะรวมง่ายหรือเร็วขึ้นครับก็ต้องการจันสติให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตลอดทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลานอนเลยไม่ให้ขาดการตั้งสติมันฝึกสติอยู่เรื่อยๆจะใช้คำบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปก็ได้ถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องที่เรียกว่าสติสัมปชัญญะเวลานั่งสมาธิน้อยใจจะสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คำถามจากคุณสุกัญญาค่ะถ้าเราเป็นเทวดาบนชั้นฟ้าเราอยากปฏิบัติทำต่อไม่อยากกลับมาเกิดอีกจะได้ไหมเจ้าคะก็ต้องมีคนสอนเช่นมีพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมให้ฟังหรือว่าถ้าเรามีนิสัยติดไปแล้วมันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะเอานิสัยนั้นปฏิบัติทำต่อไปได้เลยเป็นเทวดาก็ยังปฏิบัติทำได้มันรู้ทำได้ <c oughs> คำถามจากทางเฟซบุ o กค่ะ ทำบุญใส่บาตรและสวดมนต์ทุกวันแต่ไม่รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจรู้สึกเฉยๆจะได้บุญไหมคะได้แต่ได้น้อยต้องเพิ่มถ้าอยากได้มากกว่า น, นี้ก็ต้องทำเพิ่มมากขึ้นยิ่งมากเท่าไหร่มันอิ่มอกใจก็จะมีกําลังมากขึ้นคำถามสักทางอินบ็อกซ์ค่ะถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ถูก ถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์แบบนี้การใช้ชีวิตคู่ก็ต้องต่างคนต่างอยู่เขาจะทำอะไรเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เราเราต้องปล่อยต้องปรงใช่ไหมเจ้าคะคือ<ณ>เราปล่อยได้แต่เขาจะปล่อยไม่ไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งเขาอาจจะยังอยากให้เราทาอย่างนั้นทาอย่างนี้อยู่ถ้าเราไม่ทาเขา อ, อาจจะโกรธเราได้แต่สาหรับเราถ้าเราปล่อยให้เขาทำาะไตามความอยากของเขา เราไม่ไปนสนใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะเหตุใดขันห้าจึงเรียกว่ากายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคะทำไมไม่ใช่กายวิญญาณสัญญาสังขารเวทนาคะก็ทำไมาเราเรียกประเทศไทยว่าประเทศไทยทําไมาไม่เรียกไทยประเทศอะ <laughs> มันก็เขาไมเรียกกันมาอย่างนั้นก็เขาก็ว่ากันอย่างนั้น่ะจะเรียกงลำดับอย่างไรก็ได้มันไม่สําคัญคุณอยากจะเรียกอย่างไรคุณก็เรียกไปก็แล้วกันนี่เราถนัดปากที่จะเรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเราก็เรียกตามถนัดปากของเราไปถ้าคุณถนัดจะ เ, เรียกเวทนาสัญ ญ, ญารูปวิญญาณอะไรก็แล้วแต่คุณก็เรียกไปมันก็นได้ทั้งนั้นอะ่ะมันอยู่ที่เราเลือกจะเลือกที่จะพูดเลือกที่จะพูดเท่านั้นเอง หมดแล้วค่ะยังไม่มีคำถามหมดเกือหมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพีิตพิเจราณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ